เหมือนกับลมจะไม่ให้มันพัดไปไหนเขาก็ไม่เรียกว่าลมทามันนิ่งอยู่เฉยๆเขาว่าอากาศจลมมัน้องพัดไปมาจิตมันก็จ้งคิดอารมณ์อยู่ด้วยอารมณ์แต่ผู้ฉลาดให้จิตของเราคิดไปในสิ่งที่มีประโยชน์เนี่ย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 ถ้าเราไปยึดในธรรมที่ไม่เกิดความสงบแล้วจิตก็ไม่สงบไม่จะคิดพุงคิดแต่งในที่อื่นเพราะฉะนั้นจิตต้องมีที่ยึดมีที่พึ่งแต่จิตนี่มันคิดนึกโดยคล่องตัวจะเพ้อเมื่อไรแล้วไปอย่าง ไม่มีกลางวันกลางคืนจิตถ้าไม่คิดไม่นึกแล้วมันก็ใช้การใช้งานไม่ได้มันก็เป็นเหมือนกับธาตุดินมันไม่ได้คิดมันก็เป็นธาตุดินอยู่อย่างนั้นเน่ไม่มีปัญญาธาตุน้ำมันก็ไม่คิดมันก็เป็นธาตุน้ำอยู่อย่างนั้นมันไม่มีปัญญาอะไร ธาตุดมมันก็ไม่คิดมันก็ไม่มีปัญญาธาตุไฟก็ไม่มีปัญญาคิดที่มีปัญญาจิตที่อบร ม, มได้เพราะมันคิดนึกอารมณ์การคิดนึกนั้นพระพุทธเจ้าไม่ได้ให้อยู่เฉยๆแม้แต่ภาวนาก็ให้ระลึกพุทธโธพุทธโธนี่ย ให้จิตอยู่ในพุทธโธให้ผูกจิตอยู่ในพุทธโธนั่นเพื่อจะได้เป็นหลักเพราะพร ะ, ระพิทธเจ้า พ, พระองค์ดีพร้อมมีคุณสมบัติพร้อมทุกอย่างเป็นที่พึ่งของสัตว์โลกทั้งหลายทั้งสามโลกคารพกราบไหว้นับถือพระองค์ เพราะฉะนั้นคุณของพระองค์ที่บริกรรมพุทธโธนั้นมีมากแล้วแต่เราจะน้อมเอามาใส่จิตใจของเราพระพุทธเจ้านั่นจิตใจของพระองค์บริสุทธิ์ใสสะอาดเราเล่นพุทธโธก็ทําจิตใจของเราให้ผ่องใสพพุทธเจ้านั่นพระองค์สมบูรณ์ไปด้วย สมาธิจิตตั้งมัน่นเราก็ระลึกพุทธโธก็ให้จิตตั้งมัน่นมีสมาธิแน่แน่พระองค์มีครบถ้วนทุกอย่างบรรดามร์กประกอบไปด้วยองแปดพระองค์ก็มีครบถ้วนเป็นประกอบไปด้วยอริยสี่อริยสัจทำทั้งสี่พระองค์ก็มี พระองค์ก็รู้แจ้งแทนตลอดในอริยจักรธรรมทั้งสี่ทุกพระองค์ก็รู้แจ้งก่อนใครใในโลกซึ่งเป็นอริยะสะัจสมะโไทยพระองค์ก็รู้แจ้งแทนตลอดก่อนใครใครในโลกทุกควรกําหนดรู้พระองค์ก็กําหนดรู้แล้วก่อนใครใครในโลก สมุทัยควรละพระองค์ก่นละได้แล้วก่อนใครใครในโลกเพราะฉะนั้นพระองค์มีบริบูรณ์จะเอาในแง่ไหนตอนไหนวักไหนก็เอามาบริกรรมมานึกปฏิบัติได้ทุกอย่างจะเอาจิตใจให้สงบสบายก็พระองค์เป็นผู้มีความสบายพระองค์เป็นผู้มีความสุข เราก็แต่งใจของเราให้สบายแต่งใจของเราให้มีความสุขอพุโทโธผู้ตื่นเราก็แต่งจิตใจของเราให้ตื่นไห้เบิกบานอย่าให้หลับให้มัวเมาจะให้ประมาตตื่นรู้สึกตัวว่าเรามาอาศัยธาตุสี่ดินน้ำ ลมไฟธาตุทั้งสี่นี้มีอะไรพระองค์รู้หมดเราก็ดูให้รู้อย่างพระองค์ควรยึดได้แค่ไหนพึ่งได้แค่ไหนธาตุทั้งสี่มันอำนวยความสงบสุขให้แก่เราได้อย่างไรมาดูดูแล้ว ธาตุทั้งสี่นี่ไม่ได้ทําให้เรามีความสงบสุขเลยเดี๋ยวไปเจ็บตรงนั่นเดี๋ยวไปคันตรงนี้เดี๋ยวไปหิวเดี๋ยวก็รอ้อนเดี๋ยวก็หนาวเดี๋ยวอย่ากโน้นอย่างนี่อยู่ตลอดนะถ้าเราตรวจดูแล้วเพราะฉะนั้นจึงพระองค์จึงตรัสเทศนาว่าพึ่งไม่ได้เสมอไปใหญ่ ย, ย, ยึดมั่น สำคัญว่าเรามีเราได้สิ่งเหล่านี้เราไม่ได้ไม่มีเหมือนกับเราสำคัญเรามีอะไรธาตุกับดินมีอะไรบ้างแล้วก็ทราบอยู่แล้วได้สวดอยู่ทุกวันทุกวันก็ตรวจดูถ้าเรายังไม่พร้อมที่จะ ลอยวางได้แล้วก็พิจารณาเห็นจริงแช้งประจัจกษ์จะเป็นจริงเหมือนพระพุทธเจ้าพระองค์ทรงตรัสหมที่มีอยู่ในตัวของเราเอมตะมิ่งกายเย่มีอยู่ในกายนี้ในกายนี้ไม่ใช่ว่ามีแต่เท่านั้นยังมีชาราภาพยังมีพยาธิ โรคภัยต่างๆยังมีความมรณะคือแตกดับในที่สุดนี่เราพิจารนารู้เพราะเหตุใดเพราะเราอยากจะออกจากทุกข์เพราะริงนี้เป็นสิ่งที่ให้เราทุกข์ถ้าเราไม่รู้เราก็ออกไม่ได้ถ้าเราไม่เห็นเราก็ไม่รู้ เพราะฉะนั้นจึงเป็นจะต้องมาภาวนาเพ่งเอาสติเอาปัญญาไปเพ่งดูให้เห็นไปจากในจิตในใจเราจะได้ไม่หลงสำคัญผิดจะได้เจริญสัมมาทิฐิในอริยสัจเสียกสัจจะปฏิปทาข้อปฏิบัติออกจากทุกข์ เชิญสมาธิให้บริบูรณ์ให้มีความเห็นตรงตามคำสอนพระพุทธเจ้าที่พระองค์ทรงพระดำรัสไว้อย่างไรเมื่อเราปฏิบัติไปแล้วจิตใจของเราก็เห็นอย่างนั้นจริงๆไม่มีผิดแม้แต่น้อยเราก็ได้รู้ว่าเป็นอย่างนั้นจริงๆปรากฏริจักในจิตใจ ที่พระองค์ให้ละก็ละได้โดยไม่ยากเพราะเราเห็นถึงพระองค์ไม่บอกให้ละก็ต้องละเนี่ยถึงใครจะบังคับให้ถือมันก็ไม่อยากถือนะเพราะมันเห็นจริงแล้วมันถือเอาไปทาไม่มันมีประโยชน์อะไรพอจิตเห็นเท่านั้นเนี่ยมันปล่อยวางนะมันก็สงบผ่องไสสะอาดนะขอให้เห็นให้ชัด เมื่อมันเห็นแล้วมันเห็นทุกข์มันก็ต้องปล่อยวางเหมือนกับเราไปเหยียบไฟพอมันร้อนมันก็ยกทันทีไม่เหยียบอยู่ไม่ได้เลยอย่อยนี้เราหยุดได้เพราะหลงเข้าใจผิดถ้าเรามารู้ความจริงแล้วจิตจะพยายามที่จะปล่อยวางตลอดเวลา ไม่แบกให้มันหนักเลยเราจะใดนั่งก็สบายเดินก็สบายอยู่ที่ไหนก็สบายเมื่อเห็นของจริงตามรสมนตรพระพุทธเจ้ามันอยู่ในตัวเราไม่ได้อยู่ไกลเพราะทีเราจะไม่เห็นนะมันก็มีอยู่เราก็รู้อยู่ <c oughs> แต่เราไม่ได้เจริญให้เพียงพอให้มีกำลังศรัทธาความเชื่อมัน ในสิ่งนี้ยังไม่มั่นคงปัญญาของเราได้กาหนดรู้สิ่งนี้กัน้อยมากโดยมากมันคิดไปเรื่องอื่นถ้าเรามาอยู่ในนี้ให้มา ก, กรู้อันนี้ให้มากตลอดเวลาแล้วมันจะต้องสงบได้มันจะต้องปล่อยวางได้ มันจะต้องรู้เห็นตามความเป็นจริงมันหลุดพ้นได้คำว่าพ้นจากทุกข์ก็พ้นจากขันนี้เองคำว่าออกจากทุกข์ก็ออกจากขันคือรูปนี้เองเพราะฉะนั้นให้ดูให้ชัดมอยู่ทุกคน ก่อนจะดูรูปขันก็ดูรูปสัตว์ประวัติรูปธนวาไม่ใช่สัพว์บุคคลตัวตนเราเขาถ้าเป็นตัวตนแล้วมันกลัวให้เห็นสัตว์ปวัตรูปหรือเรากําหนดตัวของเราทั้งหมดนี่เป็นหุ่นอันหนึ่งขึ้นมาประกอบไปด้วยหนังประกอบไปเนื้อเส้นเอ็มกระดูกมันสร้างขึ้นจากธาตุดินมีธาตุน้ําผสม ดินมีธาตไฟให้อบอุน่นมีธาตลมจะพัดอยู่ในนี้ถ้าสมมติขึ้นมาว่าโูกผลเทกุศลอกุศลซึ่งเป็นช่างเป็นสังขารปุญญาพิสังขารอปุญญาพิสังขารมันสร้างขึ้นมาเป็นในช่างเออเราก็มาแยกดูคุณ่ะนี่เขาสร้างมาด้วยอะไรมีอะไรบ้าง นั่งดูจนให้เกิดความสุขใจมีความสุขเพราะรู้เพราะเห็นมีความอิ่มใจเพราะรู้เพราะเห็นท่านว่าเป็นอุทยานของพระอริยะเป็นอมตธรรมที่เราควรบริโภค ถ้าใครพิจารณากายเท่ากับว่าพิจารณาอมตะธรรมเรายินดีพอใจในการพิจารณากายนี่ก็เท่ากับพอใจยินดีพอใจในอมตะธรรมเห็นกายตามความเป็นจริงก็เห็นอมตะธรรมอมตะธรรมก็อยู่มักฐธรรมคือสิ่งที่ไม่ตายก็อยู่ในสิ่งที่ตายนี่แหละ เพราะฉะนั้นไห้เราทั้งหลายเข้าใจทางใจพ